อาชนาเหมือนกับน้ำทิศสำหรับช้าล่างสิที่ศักดิ์สซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของพวกเรใจที่พร้อมด้วยความโกรธแจ่จกตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่ศักดิ์สิทธจึงต้องชำระล้างเดย น้ำคืศศาสนาเึงการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำทิ่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญากึงแก้ไขก็คือว่าน้ำทิ่สะอาดเพราะคำว่าศาสนาธรรมก็ต้องรวมิ่งแบบนี้เข้าด้วยเพสืสะอาดผ้าที่ไม่สะอาดกา็ไม่น่ามึอผม อะไรอะไก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเผด็ารเป็นชาไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้ อ, องชาระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาใชา้จิตใจเป็นของโสโครปกไม่สะอาดมาดั่งเลยมันเป็นพื้นฐานอั น, นแห่งความไม่สะอาดที่มีมาประจิตเพื่อเมื่อ ถึงการเวลาที่เราทราบ ด, ดีทราบชั่วร์ดังที่เราทราบดีเวลานี้คุณต้องพยายามชำรงสิ่ที่โสโครดภายาาานาานในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพจน้อยพจน์ใหญ่ขึ้นอยู่กับความสั ไมี่เป็นรูปฐานของใจการทำะได้มากน้อยก็เชื่อตัดความทุกข์ใยื่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถ เจ็บกวาดเอาภพชาตของเราที่เคยเกิดแกเจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามีรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะมั่นีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติดูชาตของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ ขี่กลับนักในตรวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันนับในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยเขจะได้เห็นในกองแห่งพวกชาติั้งเราที่นํามากองมานั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย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 ว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นกะทัดไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นนะเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดให้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเท่าไหรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเกิดเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่คลองค้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงจะสนุกสไลด์เปนโ่นเป็นไนัไม่มีอะไดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็ดซากผีของเราเราไปควัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่แต่แสดงตัวในพบในชาติ น, นั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็ประจักนี้เราไม่ค่กลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวชาตของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านที่สอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแลานนามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชาติหนึ่งหนึ่งออกมาเกิดเป็นเพื่อนมนุษย์นี้ก็ามาสู่ทลายนะักให้พบชาติอื่นนึ่นเลย ที่มันน่ากลัวแล้วก็หน่าขยะแฉ่งความทุกข์ความลามมบากทรมานเอาถ้าว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไม่อยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นไม่ตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะนี่กเพราะเรา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 อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่า น, นั้นนี่นี่ก็เป็นกําแพงอั น, นที่กั้นมาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสําหรับตัวที่เคยแสดงไว้แล้วก็ทําให้เกิดความประหมักมอนใจเห็นภาวะตายหน้าสูงไปละอะไรเนี้ยเขมีจํานทร์มากพ้าไม่เห็นก็สุดมือใสที่จะว่ามันมี ยัง น, ยงน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตรงนี้ก็คือว่าเป็นผูช้ชื่วชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีมีตาอันยืดยาวมีตานแหละมะคมให้แก่ข ย, ยานคือพระพุทธเจ้าเป็นตน้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิทูรู้แจ้งเห็นสิงโลก ร, กรู้ทุกสิ่ทุกอยา่าง รู้จึงเองพบเห็นธาตของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นั่นเป็นมาก น, น้อยกันไงไรถึงเราจะไม่รู้ออจำไม่ได้ก็ตา่างแล้วประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเจยโฉกเจอรลักเจะาตลเจะสโสมวัวดถูกของเอ ง, องินทองแล้วไปเจยวฆ่าปูกฆ่คนที่ไหนามาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจนหัวโจมมันรูนา ม, มาตั้งแต่วันเกิมกกเดมนุอย์างบยันสาภาวะ ทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้นงนั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำอย่างนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหวัวโจกไปเพื่อทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตราดไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวทนไปทําอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละสืบมา ก, กี่พบสืบราบคือมันเป็นเรื่องผ่านมาแล้ว แต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภาในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงกา อ, อยู่ทุกเวลามลีหลาณนะภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนชุดให้เห็น อ่าสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาจนถาดถึงขันก็หัประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเก่งไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ธาตุขันอนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเก่งไรก็เต็มธาตเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดือดเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ ที่จะเป็นไข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํามนองที่เป็นอย่างนี้อที่เป็นมาแล้วก็เป็นทํามนองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์พาอย่างนี้มัจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ในยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความกรจแกเจ็บตายนี่แหละ เป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เหลือไา้สะละนี่เป็นสิ่งที่พาให้ไปเกิดไปตายอยในที่ต่างๆในพบชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามสร้างสติ ให้ใกล้คิดกับตัวคือดูกับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความาาออาคามิดพิจารณาโดยเพื่อกองทุกจากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจิตนมีความโปร่งโดยอาศัยธาตุขันซึน่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ย เครื่อหล่อเยี้ยงจิตใจด้วยการพี่เป็นนานดยทางปัญญ า, าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตขันธ์เนี่ยเป็นตุ๋ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้ครบครากเมื่อพิจนารณาสิ่งเหล่านี้รู้หรอกขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่ใชติดอย่างอื่ใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันธ์หา น, นี่ ติดขันห้าติดใจจาของมันต้องไปติดจางอืน่นรู้อย่างอื่นรู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่ทนที่จะรู้ต้นถึงหรืลาเงาข้ามูลั้งมันไม่ได้ได้จะใจโดูตรงไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจอ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่ง น, นั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้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 และสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแดดที่ว่านี้จิตกับธาตุกับขันนี่มันค่าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีปิเลตเป็นผู้ไร้ยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึง ม, มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหลา่านี้ที่าตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขนาด พิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหยิ่งเถียงยะเป็นชายและกำหนดพิจารณาถึงความเส่อมความสลายลงไปแทางถัดขานี้คือความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชํานาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชํานาความคลงแค่ของจิตใจได้สห็สิ่งนี้ ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดยแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจ้ไปแบบอะไรคงคงโครงการไปอะไงนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันจแบบโลกกะเสียถ้าแบบทําแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรา มันยังไม่แตกก็กาหนดให้มันแตกได้กลางกาหนดให้แตกลงไปสร้างขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี่สร้งขึ้นมาก็ับแตกไปนี่ก็สมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายและสลายตัวลงไปเป็นนีเป็นนักเป็นลมลงไปนี่เป็นหนักธรรมชาติของของสิ่งอางนี้เป็นอยู่อย่างนี้นเพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมุ่งหวงของตัวเองทาให้เป็นเช่นนั้น จึนต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์คิดถึงเวลากล้าหาันกล้าหาันเช่นเดียวกับความิี้ลาดากลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกต่เวลากลัวก็ูลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหารต่อสิ่งนี้เลยทว่โลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสาคัญที่ การกิตของสัดโลกให้กระทบกระเทือนนิชชอกช้าอย่างน่ะก็จะความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี้ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหายิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหายึ่งมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกล้าหาขึ้นมาในลักษณะ เช่นเดียกันหรือมันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ม่มีคือพ้นไปแล้วกำไมศาสตร์จะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีก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 นี่เป็นกระทะที่ปกติริ้งมันล้วนมีคิดกันเลยในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไะจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสอง นี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสายนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบ ap ุญญะปาป่ะหิณาบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผุ้มบุญและบาปบรรลัยแล้วหนา คำอาบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจำเป็นต่อการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจำเป็นไปคำมาบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุดบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึง ม, มุดคือความผุพ้น เมื่อุดพ้นแล้วคำว่าบุญและมาบซึ่งเป็นส่วนสมมติเพื่อกันทั้งสองเงือนก็ผ่านไปเองไม่ใช่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี้เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญซึ่งแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กาเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหาร รับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบื่ออาหารกําลังเกียดอาหารประกวดเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในะท่าขันแล้วมันก็ปล่อยกันวเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดคาว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นสชนบากสุอความสมองได้ตั้งใจตั้งใจตะตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมดคืออะไรมันทําให้ เกิเป็นบาดขึ้นมาตรงความเศรมองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศ้ามองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความเศมองทิ้ไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาเรามีความถลาดมันก็แก้สิ่งเหลนี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้แด้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยิ้นเชิงแล้วความความถนาดก็หมดความหมายไปเอง คือมันผ่านนั่นมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนบลังคําที่ว่าสติปัญญาหน่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้ที่เด็ดทุกประเภทจับพ้นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปทาคันมากในการแก้ที่เด็ดทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ที่เด็ดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายใจิตใจแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือกันเอง พอทํางานเสร็จแม้เครื่องมือก็ต้องต่อพระดิปัญญาเป็นเครื่องมือมแต่เป็นผลที่เราจะต้งรับไม้ตลอดไปเป็นเครื่องมือไปฟังท่านพูดไว้เป็นไรธรรมะทิฏฐิธรรมะสังกปูเป็นต้นเป็นมร์นะฟังระหว่า ง, งมร์มร์มแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางาน แ, แ ก, กเลยทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเนี่ยเป็นมัชชิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วนถูกต้องในการแก้กีเ่เดสดตันหาอสาวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมลุทิเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแปดนี้เนี่ยแล้วเป็นทานทรงแนว ต่อมาผลิพทา์ก็คือทางสายนี้ทังเรียกวมัชชิมาเนี่ยแม้เช่นนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคามามัชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายตัวเองเพราะถึงที่แล้วใครจะไปกรอบคลวหรือแบบถาม อ, อุนทางไปลไปแล้ ว, ล ว, วก็เป็นไปตามความจิดเนอดีทตันว่าคุณญปาปลาปลาไปหน บ, บุคคล คูบุญาบาปอันนาเสียแล้วะละแบบนี้เองในชัยละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนว่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนไม่ใค่อย่างนั้นถ้าจะได้กลัวขนทางถ้าจะไปเกลียดขนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมากันไปเองอย่างนั้นต่างหาก <S <S นีก่จิตก็ เดินสุดถามอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความม่สุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความมือสุดใจไปด้วยความมือสุดใจไม่อยู่ด้วยความมือสุดไปด้วยความมือสุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความมือสุด กิจที่บริสุทธิ์นี่เป็นเช่นนั้นธุรคิจ ท, ที่ผ่านพ้นจากภายทั้งหลายเลยหมดด้วยไร ท, ท่านผู้นิสิตท่านผู้นิสิตอย่างนี้ผ่าขันก็เหมือนกับเราๆท่านๆนี่นแหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรเนี่ ก็ธาตุขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกัน น, นั่นแหละเป็มไปด้วยว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยที่เชิยแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทืนถึงจิตนม้อาการของธาตุขันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์จากข้หน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลง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 จากผู้บริสุทธิ์ก็อมกมาจะลายไปตามธาตุทขันซึ่งเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ่งมุขก็เป็นไปตามยิ่งมุขผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขานะทยตางอันก็จริงอยงู่นั้นนี่แบบจำนวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มานได้ไปตามให้ประนวน ล, ลงมาในธาตุขันของเรา กองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พกี่ชาติตั้ประมวลลงมารกาในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกันลมที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มี อ, อะไรเหลือเป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้รู้ดวงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจ้งตลอด มนจักรธรรมทั้งหลายหรือเป็นโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ท่องตรโลกคือขันธ์รู้แจ้งโลกคือขันธ์อันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาผูกกับปุ่การก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเด่นคือจะเป็นต่อไปข้างหน้า ต่างพบต่งางขาดเกี่ยวกับจองอป่าชาเกิดแก่จิตใจในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนักกิจที่บดยสิทธิและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสำนักเรื่องก็ยุยติเปี่ยนตานี้และการแสดงก็ยุยติเปี่ยนตานี้เอาละเจวัง <c oughs> มาตรงนี้มันทางไปเกิดมาแล้วรู้แกไปยังไงแล้วก็ กำลังไหกลงไปนาดไหนก็รู้คะรนไอแบบ้ตัวของตัวนี้มันเป็นไตรลักษณ์หรัอเมันจะเล่ยนลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณอยู่ในมันนั้นเราเรงพูดได้ว่ามันเป็นกตรลักสิ่งที่แท้สิ่งนี่นคือสมมติที่เหลืแม้นนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นหละคือไลัก ที่กินว่าเจรินขึ้นหรืเสื่รมลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งสายดีสายช่วยมันมีอยู่ภายในจิตท่าว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการทังจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความรสว่างกระจ่างแจ้งมานี่เห็นชัดเลยลำดังดับทุกผ่องใสไปเลยดับดๆบนี่ที่เป็นอาการั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอยู่นี้เพราะฉนั้นพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ย มั น, นต้องบอกว่าจิตเวลาหนี้จิตเจริญเวลาหนี้จิตเสือ่อมเพราะว่าจิจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสือ่อก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้น เ, เอาไม่ได้นี่ออันนี้มันอั น, นอยู่รอบตัวของจิตฉันต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปมันเรียกว่าจิตนิพายละเพราะจิตมันนิพาให้มีเข้าใจหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันทีมันช่วงก็นี มันหมดทังหมดตัวประกันทั้ yay, ทงสอข้อฝ่ายดีฝ่ชั่วเอาที่พูดตะกีนี้ว่าปลาปะกเป็นเงาบุกคนคุณยัปลาปะเนี่ยบุกคนบุญฝ่ายดีปาปะกแปว่าบาป่ายเจ้าหมองที่ฐานน่าเกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดเพือให้เจริญให้ส่วยมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนี่เป็นคู่แข่งพราะทั้งสองนี้มันฆ่าจากกิจทนายเรื่องนี้มก็หมด คำที่ว่าเจริญไม่เติ่อตหมดเลยเพราะนั่นในสมมติเข้าไปแทกเลยนันก็นั่นมันพูดไม่ได้แหละคืถ้าจะเจริญไม่เตืบโตเพราะมันไม่เจริญไม่เติบโตไง <c oughs> เข้าตัวพอแล้วมนื้อพอถึงขั้นมชัชจิมาในหลักธรรมชาติจิตท่านถ้พูดถึงหนงเป็นสายผลแล้วแบบนี่คือหลักมัจจิมาผลในหลักธรรมชาติเลือกผลมัชจิมาในหลักธรรมชาติ่ายมานี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิ ม, มาคือถึงกลางให้ตรงแน่ต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในสายฝนโดยหลักธรรมชาติสดปฏิวัติจิตเ่อเลือนเสริมไปนั่นเอจะเลื่อนไปนี่สงบคือกูดังได้ผมเรียกว่าอาการหรีอกอาการเรียกจิตอาการเรียกกรรมคือจิตทีบไม่มีเวลานาทีอะไรรับจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องไูไง สงเนียนั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งอ้อรภาพดีงงนะฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็ <c oughs> าพามันเดินนั่งมันง่วงว่าง่ายท้องโด น, ดนข้าวตอนคืนหึนือสงนั่งดีเลยจิตมันแน้วถ้าใ้มันพักนี้มันก็แ น, น่ว ถ้าได้ิดพิจาทางด้านบัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดและออกมากผู้จุมันตรงซาบมันซึ้งไปทุกนี่ยทุกมองของกัญญาที่คาดขานมันมันก็นเบาตอนนั้นธาดขฐานไม่ช่วย